ยาทาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาขารังเอวเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัภะปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสยะทามณิโชติ ระโสยทาซาปิติโยวิวานตุสาปารมณงวินาสาตุ ม, มาเตภาวัวันตารายโยสุกี โยโกมภาวาพิวัฒนาสิเลสานิจจังวนธาปจายินโนจตารณธรรมมาวันทันติอายุวันโนสุขัง ปาลังอากะโุเอปะสันนานังอากางธรรมังวิชานะตังอากเกมุดเถปะสันนานังดาขีนเนยอนุตตรเองอากเกธรรมเมปะสันนานังวิรังคุปสเมสุมสขเข อากเกสเรเกปันนานางปุญญาเกตอนุตนเรอากาจามิงนานางดาาตัางอากอางปุญญาปวัตติย <c oughs> โสเกติสุขังวลังอากจาจดาตาเมธาวีอากาธรรมมาสมาหิตโต เดวะภูโตมนุสวาอังกาปโตปโมนติติภวะตุสาผังกาลังสามบุตรธานุภาเวนัสดาโสทิภวันทุเตภาวตุสาผังกาลังราคันตุสาพเดวตา าาาาาตามบาธรรมานุภาเวนสดาโสเทพระวันตุเตภาวาตุสาพมังกาลังราคันตุสาพเดวตาตามบาสังคานุภาเวนสดาโสถทพระวันตุเต